ใจคนไทยคุณหมอคงใส่ว่าบารมิสของฝรังงบารสกายคนไทยรวมทั้งที่บ้านเลยนะเจริญป่อเจริญธรร This greeting everyone. g r e e everyone t h a i l a n เกิดเดี๋ยจะพูดอปเลยคุณหมอก็แปลไปเรื่อยๆล้วกัน เรล้วก็แามกันนีครับที่เรามาเจอท่านในจทุกวันศุกร์นะเสาร์นี้เป็นเสาร์สุดท้ายแล้วมันจะออกวันาร์้วันจอนวันนี้เสาร์นทิศเรวันจันทร์ก็ออวันเสาร์นะเอีท พวกเราหลายคนก็นั่งปฏิบัติกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเราที่สังเกตตัวมาสักครู่ทีนี้ก็มีชาวป่าชาติที่เขาตัวมานัดกันไว้ว่าจะมาแล้ว่วาอาจจะมาหรือไม่มาเลวนะอีกสองคน คนมันนั่งอยู่ตรงนี้ัทนที่มาทำก็วันนี้น <c oughs> อาจจะมี <c oughs> มมอะไรก็่ yeah, คน <mentioning. S 1> แปคนที่แปลลาวที่แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษแต่ทั้งคู่ก็หายไปแต่นี้นลักวใหม่วันนี้นนมา ใช้เวลาตั้งแต่ข้าวัาษาสักหน่อยแล้วเราปฏิบัติมาั้ทุกๆเสาร์เห็นพั น, นันาการอะไรบ้างที่สคัญวันเสาร์เรามารวมตัวกันที่เป็นตปมาตั้งแต่ต้นเลทุกเสาร์ทุกเสาร์ทุกเสาร์รมีอยู่หลายคนนเสรแล้วเราปฏิบัติทั้งในรูปแบบ ตอนที่เจอกันกันนอกรูปแบบนอกรูปแบบหมายถึงในหน้าที่การงานซึ่งมันมีมีเวเติตื่นยันหลับนะนะเราก็ได้ใช้ความรู้สึกตัวอย่างไรหรือจะเรียกอสสมาธิสัมัสปัญญาเีก็การปฏิบัติธรรมในด้าปบัติกายที่ใจเะไรก็ไงกยใจเราอยู่ตรงไหนก็ปฏงน้นเลยอ รตืนยันังเราได้เห็นตัวเองอย่างไรตัวตนของเราตัวจิตที่มันคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นตนที่รักเป็นตนที่ชั่นเป็นตนที่โสเป็นตนที่ทุกข์อย่างไรเป็นความโลภไหมความโกรธมีไหมความหลงมีไหม ความกังวลมีไหมความสารยะความโกรสลพัดทั้งวันทีนี้เรารู้แล้วจุดหลักของเราคือให้รู้ทันความคิดความคิดที่มันแสดงตัวอยู่แต่เราไม่เคยเห็นมันตรงนี้มันเสียเปลี่ยวตนีวออะไรที่แสดงตัวในเราได้เปรี่ยวเราได้ดูมีตาเราได้ดูได้รู้ได้เห็น ได้เปรียมมันมีแล้วไม่เห็นเนี่ยเสียเปรียมแต่อะไรจะแสดงออกต่อหน้าต่อตาเราเห็นแค่ น, นั้นเอาเสร t จทั้งดีทั้งไม่ดีเราเปลี่ย it, น อันไหนจะหยิบก็หยิบใช้ถ้าเป็นประโยชน์อันไหนมันใช้เสร็จก็เก็บหรือวางเอาไว้ให้ถูกที่ถูกทางไม่ทิ้งนะคิดเป็นบุญอย่างเงี้ยไปทงได้คิดเป็นกุศล่จะไปทิ้งได้ก็ต้องใช้ใช้เสร็จแล้วก็วางืมส u s, <S you in the m e w h r e ให้อเมาว การรู้ทันความคิดในการฝึกการหัสติให้รู้ทันมันก็ต้องทของยากกว่านั้นการยกมือขึ้นะไอย่ีเราหายสงสยก็ได้หละคนที่ทาได้ยาวๆอาเจอไปบ่อยหายสงสยแ้แต่ว่าทาทำไมแต่ว่าใหม่ๆอาจจะยังสงสัยอยู่หรือคนที่ยังไม่เข้าใจยิ่งทำนานเยยังสงสัยอยู่ก็มีที่ตัวนี practice practice the g ว่าเรารู้แล้วต right ั้งแต่ต้นรายการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มีผิดหรือม่ถูกคือมันมีแต่ประสบการณ์ก่อมันเห็นจุดอ่อนแล้วเปลี่ยนได้จุดแข็งแค่นั้นเช่เอปฏิบัติต้องเจอทีวอาทรรใช่ไหมเรารู้สึกตัวกำลังสติยไม่พอตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานยังไม่มี มันเคมีตัวนิวรก่อนนะทนี่นิวรสานที่ทที่เป็นบัตกันจิตให้บรรลุถึงพันความดีมีอยู่เช่นห่วงเช่นบ้าเช่นดีไซน์ใช่ไหเช่นปุ้มแซ่ดอางเงี้เช่นลังเลสงสัยอย่างเียทไปกับสงสัยไปกันไปสงสัยปก ความเยากความโกรตัวแทบฟันทั้งหมดเลยนะมันคือความคิดนะข้อปฏิบัติไปก็ไปเจอความรู้สึกดีๆปิติบ้างสุขบ้างเกิดการสำนึกบ้างอะไรที่ไม่ดีไม่ทำมันก็เริ่มสอนตัวเองมันบอกตัวเองไม่จำเป็น คิดแบบนี้ไม่ดี <Teach S 1> ทำแบบนี้ไม่ดี <Teach you S 1> พูดแบบนี้ไม่เอาได้มันเริ่มสํานึกหลายสิ่งหลายอย่างในอดีตสำนึกบาปและลื้บุญได้แน่มันไม่ใช่ว่าสำนึกอย่างเดียว <Yeah. S 1> มันสำนึกแล้วมันละลื้ถึงจะทําดียังไงต่อไปที่มันจะแก้ไขยตัวเองในต่อไปมันจะละลื้ <Correct. S 2> บังทีจะจำเรื่องในหนังนบางทีจำเรื่องในนิทานมางทีจะจำต่้าที่พ่อแม่ปู่ย่าตาตั้วสอนเอาไว้บละลึกเสร็จแล้วมันก็จะได้เห็นเนี응่ยหนนตาให้มงนี้มประเทศไหนเนี응่ยพอบรรับบาไม่ทำดีทำไป rồi, อะไรใจก็บริสุทธิ์ขึ้นไา ก็ว่าคำดียึดก็ต้อง่ายวานคำดียึดดีบ้างเป็นทุกข์เหมือนเดิมเจอเวลาหร i อบางครั้งเราเห็นความคิดมันซ่อนไม่ได้เราเห็นได้ว่าตัวความจริงที่มีอยู่ในตัวเราแต่เราไม่ได้รู้เท่ารู้ทางหรือเห็นมันสัญาธรรมความนจริงแบบ เดินเซ็แต่ล้วพอซอยเนี้ยมันรูตัวเป็นทมาโรีทเลยอกิจเลยอะไรใช่มกิมีร่องมีช่องมีทางมันมีภาษาภาษาที่วราทันหลังตกลงไปในมักในคนคือการใช้ประโยชนในบาเลียทันหลังตกลงไปในมักในคน มากนวาคือทางผลก็คือการเดินทางมีจดหมายปลายทางขั้นเด่นตอนไปขั้นเด่นตอนเช่นความเป็นปกติธุรกิจเกิดความเป็นกลางความสมดุลธุรกิจที่เกิดก่อนแล้วเราไปไปสัมผัสไดในสัได้ชิมรสชาตของธรรมะน ก็ของความรู้ตื่นเบิกบานของสติธรรมใ p ้เกิดรู้ตื่นรู t h ม่แค่ตื่นระดับอกใจอย่างฝันฝันดี้ี่ปอดตืนระดับอกใจที่ได้ฝันหัวเละที่เมื่อกี้เราไปฟังเน่ยสังเกตคนเราก็ยังยินอยู่นะยังมีอาการพอเราไปถึงตอนที่เด็กนอนในโรงพยาบาลแล้วก็โดนมีดมาปั้นหัวแล้วมันได้สมประกอบอยู่แล้ว หายก็ไม <been> <Gloria. S 1> ่จประก่อนน่าจะได้เราอย่เิดมาขหงเรได้โชคดีมากเลเาสาธุได้เลยรับงกายครบสามเดือนเอาสาธุยังไม่มีใครกลั้นกายทาอันตรายเราได้ช่วเราดสิ่สินึ่งบุญทาานข้ามชุดแคลร์เขาเจอในวันขงเรากทั้งบุญทั้งบุญ่นทั้งความท้ชีวิตรอดมาได้เจอตัวปฏิบัติเจริญสติทุตติก็ไปต่อ เขาถึงต so right. so you no so ัวปล่อยตัววางน้าประเด็นเนี่ยสาวเที่ยวสาวไทยขอมมาแล้วเดี๋ยวท่านจะจัดในช่วงบ้างๆให้ดูเวลาหมาอๆจัดออนไลน์ก็สมัครออนมากแล้วกันอยู่ออนไลน์ฟรีของฟรีไม่มีคนมาม่มีคนชอบมึงเสียตังห์แฮกันไปเอาแล้วแต่แล้วกัน น้จม่มีแล้วคุณผ้ชระเดี๋ยวประกาศไปแล้ววันทั้งเดือนอาทิตย์หน้าเลยแล้วไม่เปลี่ยนนะของเรายังมีเหมือนเดิมแา่ที่นี่จะมีเปลาไม่เน่ใจเพรเรามีเหมือนเดิมนะทุกคนต้องเหมือเต็มเวลาไหี่ทังเดือนเลยจนกว่าจะกลับเมืองไทยเลย ถ้ากลับเมืองไทยก็เจอเคอร์เซนที่โคราชเกชทิชเชเียน่าทุ่มเทอาพนะ้ารูปนี้สอนดีไปปฏิบัติแหม่ไม่ต้องรู้สึกตัวที่เป็นพเหรู้สึกแล้วจับประเด็นให้ถูกโอเคนี้พูดสุกิปกติแต่ไปสมุลเลยกมันยนซ้ายยดูจวารู้ึตัวสักตที่นั่งนั่ง จก่าเยก็ได้เป็นอย่้ต้ที่ใช้วันเียวด้เนย่านี้ตน้นนี่ไหจัน e t ใชหนน e t ่ในปัจจ e n t ใช่ไหนน e n t ุ moment ไมบน m o m เ n t ไหมใ e ่นบ e ่ไนปัน่ั o e ่น e t m e n t e n t ช่นจน n t ใช่ไหมใปบัช ไหอ่็นรที่เกิดใบไรรอะไริตนคไอตัวที่เป็นสยฐานการคิดเกิดจากเกิดจากยีบมอนเก็โทจกาื่อนมืออยุดนั่นนิ่งๆาใจปโทเลยสตวอยหล่ายต่ำลอยลอยลอยลออยลออยย ทุกสมุทัยเร่ว่ามนไมจิของเรามันแบบเราไม่ได้อยากต่ o ไม่ร n นนี่ก่อนนะครับก่อนที่ใครจะทำกิจกรรมกหไัเิ้ใหม่ๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ทีาุนั้นถึงใจเยมันตอทเพื่อ มันเหยียตั้งอยากมไรใหม่เลยกกาอยากๆคคิดอยากๆสกปรกอยากๆออกมาบาแต่พอมันรู้สึกตัวดีสติดีละเอียดลงลุ่มลึกลงไป่มันจะแยกคายอมาจร่งกาปเือวตัววัเ็กน้อยแนววเทียนนี่มันชัดเจนมันรื่องมัรู้กับ มันรู้กับลุวิชาวิชาเลยเล่นกันนั้นเลยวิชาเือนรู้แล้วรู้ถูกมันรู้มัรู้กเน็รู้แล้วรู้ถูกก็แบบสัมผัสรู้นะทำมันคือต้องสัมผัสที่ม่รู้ทันนะดูคำว่าสัมผัสยิมเนเช้ยนมาพเรื่องอะไรนั้นแก้ไขอะไรแต่สักอย่าง มีความมั่นใจมีความอาหารมีความมั่นคงเลยสมควรตื่ e เวรุ่งไปไแต่ว่าถ้าเราจับความรู้ตัวเราชัดจนั่งจะเดินจะยืนจะนอนใจมีที่อยู่จ o ตอย n ่แบบเด e มสมาสัตว t จิตสัตว์เราเป็นสติวัตรตงเกดูก็พ ชัมอมงชัมองเศษเศษคือยังมีรถชายของการปฏิบัติและพาันนี้เอาแม่อาซิมมาด้ว ย, ย, ยนเนี่ยโดยตัวอย่างแม่อาซิมเนี่ยใหม่ๆเป็นแบบไรดี่ไหนลูกมึงล่าไ้จะหนีกลับท่าเดียว เ, เดี๋ยวนี้เป็นไงนั่งยิ้มหน้าใสย<ม>ิ่งยันไหนมาเมนสั่นไม่ได้วยราะซิิมไง่อนนี สัตว์ันะคนแก่ใจดีนะทางใจดีแบบนี้เป็นแบบแล้ยิ่งใจดีเโอเวจเกดมอีเดี๋ยวไปเจอกันในจอยต่อทิตหน้าแล้วน อ่าตอนนี้ก็มีเวลาฝึกอีกสักประมาณหนาทีสนาทีแเดี๋ยวให้มีอะไรพูดกันอีกําสองคัญถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามหให้ัาให่เาว่าธรรมะอสัมผัสธรรมในสัมผัสหมดธรรมชาตินอกสัมผัสเห็นเห็นจริงจริงไม่ใช่ทฤษฎีจรจริงาสัมผัสเฉพาะได้เฉพาะ้ ทำมันแค่ขนาเดียวป็นไม่เทัาไหร่นมันไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตเป็นแค่เดียวแล้วทำแค่ครั้งเดียวขนาเดียวทัานจะทำอะไรต่อเรื่องชีวิตเห็นหล่ะครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเป็นปัจจุบันแค่นั้นแหละพอเยหลือเฟือเลยหละสถานเป็นกคบแค่ครั้งเดียวต่วันนั้นไม่หลังไม่เหนื่อยทํา ยิ่งปฏิบัติิลาเรยิ่งร่เารปฏิบัติยิ่เปวาเป็นอีหที่เอยู่เลยเราก็ต้องอยู่กับความททยือไสัีนยังคงอย่อยู่ที่นี่การลกตามี่แกล่าเลยดหน้าตายแก่าเรอย่าง้เลยให้ดูุกค้งเลยเล่เรืเปิดท่แ่ละกัา แกบอกว่ายกวัดนเน่เป็นเจ้าวัดกับเมืองไทยไปอยู่ที่สองวันไปเมืองไทยเราจะทบุญแม่อะไรแม่ตายไม่ได้เผาผีอะไรส่งเงินไปที่น้องช่วงโควิดไปไหนไปอาจจะอยู่ที่นี่มีเงินไอกันที่อะไรันที่ไปดแปดต่าใช่ไหมระหว่าง ลักษณะกะถิ่นะถ้าเดือนเดือนหน้านก็ถิน่นนัเดิอนถึงลอยกระทงเละจบเองกะถินกะถิาถานทา <c oughs> เตรียมไปทอดที่ไหนกันแน่อาติโยมไหมเนี่ย <c oughs> เรมไปทอดกะถินที่ไหนกที น, นี้ก็มีวันที่ห <c oughs> กกะถิ่นเ <c oughs> ร <c oughs> าแต่กยังนีต้องอยู่ที่นี่ต่อไปถึงวันที่อ e ีก อีกของที่นี่ก็ยี่ิบเจ็ดคนไทยอากาศนะกับยี่กไปถีบเจ็ดเดิพการที่จะต่อยที่นี่ถึงปีใหม่ยัมน่นะอยู่ที่นี่น่นันันไอ้ยีเสียงแกว่าที่นี่นะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับไมมีปะประด็นมันมีคอสที่โน่นอยู่กาหนดวันเรียบร้อยแล้วก็เลยจำเป็นต้องกลับไหน้าที่ อเดี๋ยวให้มาใหม่อ่ะปฏิบัติตึงต่อไปเงียบๆสักสิบนาทีเนาะเดี๋ยวใครแผลไม่ท่าแก